นานิทานสีขาวของดรอาจองชุนสายณอยุธยาเรื่องความรักเริ่มต้นที่การเสียสละไทยรู้จักกับกองแก้วตอนเรียนมหาวิทยาลัยเพราะทั้งคู่ลงวิชาเลือกเสรีตัวเดียวกันและมีเหตุบังเอิญให้ต้องจับคู่ทำรายงานด้วยกันบ่อยๆกองแก้วเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักและมีจิตใจดี เพียงใกล้ชิดกันไม่นานไทยก็รู้สึกประทับใจเธออย่างบอกไม่ถูกแม้จะเรียนวิชานั้นจบไปแล้วแต่เขาก็ยังแวะเวียนมาหากองแก้วที่คณะและชวนเธอไปกินข้าวเที่ยงบ้างไปซื้อของบ้างตามแต่จะนึกข้ออ้างในการชวนได้ดานวันเข้าไทยก็รู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชอบกองแก้วอยู่ฝ่ายเดียวหรอก กองแก้วเองก็ดูเหมือนจะมีใจให้เขาเช่นกันแต่ไทยยังไม่รีบร้อนผีถามเขารักกองแก้วด้วยใจจริงและคิดถึงอนาคตอีกปีเดียวก็จะเรียนจบแล้วรอให้มีงานทําที่มั่นคงก่อนแล้วเขาก็จะบอกรักกับเธอด้วยความมุ่งมั่นพยายามในที่สุดไทยก็ได้ทํางานในบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งอนาคตการทํางานของไทยดูท่าว่าจะไปได้สวยทีเดียว ไทยคิดว่าถึงเวลาที่ต้องบอกความในใจให้กรองแก้วรู้สทีแก้วก็รักไทยจ้ะรักและอยากอยู่กับไทยไปตลอดชีวิตกองแก้วตอบด้วยรอยยิ้มที่ทำให้ไทยต้องตกหลุมรักเธออีกครั้งทั้งคู่สวมกอดกันผมจะทำงานเก็บเงินให้มากๆแล้วเราจะแต่งงานกันไทยกระซิบบอกกรองแก้ว พร้อมกับสวมสร้อยที่เลือกสรรเพื่อเธอกองแก้วรับคำเขาพร้อมกับปล่อยหยดน้ำตาใสาๆออกมาด้วยความตื้นตันใจเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ไทยยิ่งขยันทำงานมากขึ้นเขากับกองแก้วจำต้องเจอกันน้อยลงแต่ไม่มีวันไหนที่ไทยไม่คิดถึงเธอมีวันหนึง่งไทยคิดถึงกองแก้วมากจึงโทรศัพท์ไปนัดกินข้าวเย็นแต่กองแก้วปฏิเสธ วันนี้แก้วปวดท้องวันหลังแล้วกันนะไทยไทยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็พยายามทำความเข้าใจแล้วบอกกองแก้วไปว่าไม่เป็นไรวันหลังก็ได้ให้แก้วหายดีก่อนหลังจากนั้นไทยก็ไม่เคยพบหน้ากองแก้วอีกเลยพอโทรศัพท์ไปเธอก็มักจะอ้างว่าไม่สบายคันถามไปทางบ้านเพื่อจะไปเยี่ยมก็บาบเบี่ยง พักหลังกองแก้วไม่รับโทรศัพท์ของเขาดีวยซ้ำไทรู้สึกว่ากองแก้วพยายามตีตัวออกห่างความรักเล่นงานไทเขาแล้วเขาขยันทำงานตัวเป็นเกลียวก็เพื่ออนาคตที่มีกองแก้วอยู่ถ้าเสียเธอไปทุกอย่างที่อุตสาห์สร้างมาจะมีความหมายอะไรไทยทรมานเพราะผิดรักจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวทางเดียวที่จะทาให้ความทุกข์ของเขาหมดไปก็คือการได้อยู่กับกองแก้ว ไทยจะแต่งงานเขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วหลังเพียรพยายามโทรศัพท์ติดต่อกองแก้วอยู่หลายวันในที่สุดเธอก็รับโทรศัพท์เสียงกองแก้วไม่สดใสเอาซะเลยทําไมกันทําไมนะทําไมเธอไม่อยากคุยกับเราอย่างนั้นเชียวหรอไทยคิดในใจแต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องที่คิดออกมาผมขอถามคําเดียวนะแก้วแก้วยังรักผมอยู่ไหมนี่คือสิ่งที่ไทยอยากรู้มากกว่า รักสิไทยแก้วรักไทยเสมอกองแก้วตอบด้วยเสียงแปลกแตแต่ทว่าหนักแน่นถ้าอย่างนั้นเรามาแต่งงานกันนะแก้วไทยบอกอย่างจริงจังกองแก้วเงียบไปไทยไม่เห็นหน้าจึงเดาไม่ออกว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับคําพูดของเขาตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมมีทุกอย่างให้แก้วแล้วก็ทําให้แก้วมีความสุขได้แต่แก้ว แก้วแต่งงานกับไทยไม่ได้ทำไมล่ะแก้วเขาถามเสียงแหบแห้งคำพูดของเธอทําให้โลกของไทยหยุดหมุนแก้วแก้วไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรผมก็สร้างให้แก้วพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนี่แก้วมีอะไรกันแน่แก้วบอกผมมาให้หมดได้ไหมผมไม่รู้ว่าแก้วเป็นอะไรไปแต่แก้วเปลี่ยนไปมากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับแก้วก็บอกให้ผมรู้บ้าง แก้วแก้วจะไปเรียนต่อที่อเมริกาไทยอึ้งไปพักหนึ่งเรียนต่อเขาทวนคำไม่จริงหรอกแก้วไม่เคยมีความคิดที่จะเรียนต่อมาก่อนบอกผมมาตามตรงดีกว่าแก้วไม่พอใจอะไรผมหรือว่าพ่อพักหลังผมทำงานมากเกินไปเลยมีเวลาให้แก้วน้อยลงไม่ใช่หรอกไทยที่ไทยทำทุกอย่างเป็นเรื่องดีทั้งหมด แก้วรู้ว่าไทยตั้งใจทำเพื่อแก้วไทยเป็นคนดีมากแต่แก้วต่างหากละ่ะที่ไม่พร้อมเองแก้วขอโทษนะไทยเสียงของกองแก้วแผ่วลงในตอนท้ายแก้วจะไปเรียนกี่ปีละ่ะผมรอได้ไทยเสียงแข็งขึ้นมาเขารู้ว่ามีอะไรมากกว่านั้นที่กองแก้วพูดคือคำแก้ตัวไม่ใช่ความจริงไม่ต้องหอกไทย ทำไมแก้วจะไม่แต่งงานกับไทยไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าเพราะฉะนั้นอย่ารอเลยคำพูดของกองแก้วคือเหล็กแหลมร้อยเล่มพันเล่มที่พุ่งเข้าทิ่มแทงหัวใจของไทยชายหนุ่มพูดอะไรไม่ออกนอกจากครางออกมาเบาๆนี่นี่แก้วแก้วบอกเลิกผมหรอแก้วขอโทษเหตุผลล่ะขอโทษ ไทยวางหูโทรศัพท์ทันทีเขาไม่อยากฟังคำขอโทษบ้าบอนั้นอีกแล้วคุโกรธกองแก้วโกรธเหตุผลที่คุมเคอของเธอถ้าเธอไปเรียนต่อจริงๆก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องเลิกกับเขาในเมื่อเขาก็บอกแล้วว่ารอได้หรือเธอจะมีคนใหม่ บางทีคนคนนั้นอาจจะรอเธออยู่ที่อเมริกายิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งโกรธยิ่งแค้นทำไมกองแก้วเป็นผู้หญิงโลเลแบบนี้เขาดูคนผิดไปจริงๆไทยสัญญากับตนเองต่อไปนี้เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อีกไทยไม่โทรหากองแก้วอีกเลยกองแก้วเองก็ไม่โทรหาเขานั่นทาให้สมบติฐานของไทยยิ่งเด่นชัดขึ้น เธอคงมีความสุขกับใครที่เธอเลือกไปแล้วความผิดหวังจากกองแก้วทำให้ไทยทางานหนักมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวและเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วไทยคิดว่างานจะทำให้ลืมกองแก้วได้แต่เขาคิดผิดเพราะหัวใจของไทยไม่เคยลืมกองแก้วเลยหนึ่งปีผ่านไป วันหนึ่งไทยได้พบกับเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเข้าโดยบังเอิญทั้งสองทักทายกันคู่หนึ่งเพื่อนคนนี้เรียนอยู่คณะเดียวกับกองแก้วไทยจึงอดเรียบเรียบเคียงเคียงถามเธอไม่ได้เพื่อนคนนั้นมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีก่อนจะพูดว่าฉันไปงานเธอมาแล้วนะก็สงสัยเหมือนกันว่านายกับกองแก้วคบกันอยู่ไม่ใช่หรอแต่ไม่เห็นไปที่งานของเธอเลย กองแก้วแต่งงานจริงๆแล้วดูนี่ไทยยิ้มขื่นคืนพยายามกบเกลื่อนความรู้สึกก็เธอไม่ได้เชิญฉันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีงานเธอเมื่อไหร่พูดอะไรอย่างนั้นเพื่อนคนนั้นร้องและมองไทยเหมือนตัวประหลาดคนตายที่ไหนจะออกปากเชิญได้คนตายไทยทวนคําใจหายวูกบไม่อยากจะเอ่ยถามต่อแต่ปากก็ขยับถามว่าใครตาย ก็กองแก้วนะสิเธอเพิ่งเสียเมื่อสามวันก่อนอ้าวนี่นายไม่ได้คบกับเธอแล้วเหรอถึงได้ไม่รู้เรื่องนี้ไทยแทบจะล้มทั้งยืนสมองไม่ทำงานไปครู่ใหญ่จนกระทั่งตั้งสติได้ก็จึงรีบขับรถไปยังวัดที่เพื่อนบอกว่าศพของกองแก้วตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ตลอดทางไทยภาวนาให้ข่าวร้ายนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดและไม่ได้เกิดขึ้นจริงและเป็นครั้งแรกที่ไทยเกิดความคิดว่า ให้เธอแต่งงานไปกับคนอื่นยังดีกว่าเรื่องที่จบลงแบบนี้คำภาวนาของไทยไม่เป็นจริงภาพตั้งหน้าศพเป็นภาพของกองแก้วเมื่อความจริงที่หวาดกลัวปรากฏอยู่ตรงหน้าไทยก็สิ้นเรียวแรงสุดไกลลงตรงหน้าภาพถ่ายของหญิงสาวที่เขารัก ผู้ชายคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาดูไทยไทยหันไปมองชายคนนี้หน้าตาหล่อเหลาคมคายบางทีอาจจะเป็นคนรักใหม่ของกองแก้วคุณคุณคือคนรักของแก้วใช่ไหมครับไทยถามเสียงเบาๆผู้ชายคนนั้นชะนักไปเล็กน้อยก่อนจะรีบบอกว่าไม่ใช่หรอกครับน้องสาวผมยังไม่ได้แต่งงานเธอไม่มีคนรักด้วยซ้ำเอ๊ะ หรืออาจจะมีอยู่คนหนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจเพราะเธอไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ไทยรู้ตอนคบกันไทยเป็นคนบอกกองแก้วเองว่าอย่าเพิ่งบอกคนทางบ้านรอให้เขามีงานที่มั่นคงก่อนแล้วเขาจะเดินไปขออนุญาตคบกับกองแก้วด้วยตัวเองแต่คำบอกเล่าของพี่ชายกองแก้วก็ทำให้ไทยรู้ว่ากองแก้วไม่เคยมีใครอื่นนอกจากเขาไทยรู้สึกผิด ที่นึกใส่ร้ายกองแก้วเพราะความเข้าใจผิดของตัวเองไทยมองภาพถ่ายของกองแก้วไม่วางตารู้สึกเหมือนกองแก้วส่งยิ้มมาให้อย่างไรอย่างนั้นเธอเสียเพราะอะไรครับเขาเอ่ยถามอย่างยากเย็นรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างมาจุกอยู่ที่ลําคอทําให้พูดไม่ค่อยออกพี่ชายกองแก้วก็เงยหน้ามองภาพถ่ายของน้องสาวเช่นกันก่อนจะตอบว่าเธอเป็นมะเร็งที่ช่องท้อง มันลุกลามเร็วมากจนพวกเราตั้งตัวไม่ทันแต่แก้วเข้มแข็งมากผมไม่เคยเห็นเธอร้องไห้เพราะโรคนี้เลยไทยใจหายว่าเมื่อนึกถึงความทรมานที่กองแก้วได้รับจากโรคนี้เขาถามต่อไปว่าเธอเพิ่งเป็นโรคนี้ตอนไปเรียนต่อที่อเมริกาเหรอครับพี่ชายของกองแก้วเลิกคิ้วสีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความประหลาดใจอีกครั้งเปล่านี่ครับแก้วไม่เคยคิดจะไปเรียนที่อเมริกาเลย เธออยู่เมืองไทยตลอดแล้วเธอก็เป็นโลกนี้มาได้ปีหนึ่งแล้วด้วยอะไรนะครับอยู่เมืองไทยตลอดเลยหรือไทยอุทานสมองของเขาเริ่มลำดับเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันหนึ่งปีเป็นเวลาเดียวกับที่กองแก้วมักจะบ่นว่าปวดท้องและเริ่มตีตัวออกหา่างกระทั่งพูดเหมือนจะขอเลิกกับเขาหรือว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เธอรู้ว่าเธอป่วยเป็นมะเร็ง และคงมีชีวิตอยู่อีกไม่นานเธอจึงปฏิเสธการแต่งงานและโกหกว่าจะไปอเมริกาเพราะไม่อยากให้เขาลำบากใจโทษทำไมเขาเง่เง่าอย่างนี้นะไทยโทษตัวเองอย่างเจ็บแค้นเงียบกันไปนานจู่ๆพี่ชายของกองแก้วก็ทำหน้าเหมือนคิดอะไรได้เขาถามไทยว่าอ้อจริงสิคุณรู้จักคนที่ชื่อไทยไหมครับรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน ผมถามเพื่อนของแก้วที่มางานเพื่อนๆบอกว่าไทยคือคนที่สนิทกับแก้วมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนไทยมองพี่ชายของกองแก้วก่อนจะพูดว่าผมเองครับไทยพี่ชายกองแก้วเบิกตากว้างโทษคุณเองแล้วก็ไม่บอกเสียงแต่ทีแรกรอเดี๋ยวนะครับพี่ชายของกองแก้วบอกแล้วเดินไปที่รูปของกองแก้ว ไทยเพิ่งสังเกตเห็นสร้อยเล็กๆเส้นหนึ่งแขวนอยู่ข้างๆกันพี่ชายกองแก้วหยิบสร้อยเส้นนั้นยื่นให้แก่ไทยตอนน้องสาวผมป่วยหนะักเธอละเมอร้องเรียกแต่ชื่อของคุณผมรู้ว่าคนชื่อไทยต้องมีความหมายกับแก้วมากแต่ไม่ว่าจะถามยังไงน้องสาวผมก็ไม่ยอมบอกว่าไทยคือใครแต่เธอได้สั่งเสียไว้ว่าหากวันไหนที่ผมได้พบไทยของเธอ ก็ให้เอาสร้อยเส้นนี้มอบให้แก่เขาถ้าคุณคือไทถึงแก้วคุณก็รับสร้อยเส้นนี้ไปนะครับผมไม่รู้ว่าแก้วคิดอะไรแต่เธอบอกว่าถ้าคุณเห็นสร้อยเส้นนี้คุณก็จะเข้าใจเองไทยรับสร้อยมาจากพี่ชายของกองแก้วเป็นสร้อยที่เขาสวมให้กองแก้วในวันที่บอกรักเธอทางแรกความหมายที่แท้จริงของคำว่ารักเพิ่งกระจายในใจไทวันนี้ตลอดมา ไทคิดว่าคิดว่าตัวเองรักกองแก้วมากกว่าที่กองแก้วรักเขาและโกรธเมื่อเธอไม่ยอมแต่งงานด้วยแต่วันนี้ไทรู้แล้วว่าเขาโง่มากและเข้าใจผิดอย่างมหันต์กองแก้วต่างหากที่รักเขามากกว่าคนเราต้องมีความรักมากขนาดไหนนะถึงจะยอมปล่อยให้คนที่เรารักเดินจากเราไปหาสิ่งที่ดีกว่าได้กองแก้วคงรู้คาตอบนี้แต่ไทไม่เคยรู้ พรที่ผ่านมาความรักของเขาคือการไขว่คว้าไม่ใช่การเสียสละซึ่งถ้าเทียบกับความรักของกองแก้วแล้วมันเทียบกันไม่ได้เลยไทยกำยไว้ในมือนัน้นแล้วเดินออกมาจากสาลาวัดกรองแก้วอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วแต่ความรักที่ไทยมีให้เธอกับเพิ่มขึ้นจนท่วมทนใจเขาเรียนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงต้องเริ่มต้นที่การเสียสละ ไทยทนเก็บซ้อมความเจ็บปวดไม่ได้อีกต่อไปเขาปล่อยน้ําตาให้รินไหลและสะอื้นให้เหมือนเด็กเด็กๆก็จะมีประโยชน์อันใดเล่าในเมื่อเธอไม่ได้อยู่เพื่อรับรู้สิ่งนั้นอีกแล้วเธอทั้งหลายความรักเริ่มต้นที่การเสียสละเสมอเพราะรักเราจึงอยากให้คนที่เรารักมีความสุข อยากเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเขามากกว่าน้ำตาและความเสียใจแม้ว่าบางครั้งการเสียสละจะทำให้เราต้องพบกับความเจ็บปวดแต่เราก็เลือกที่จะทำเพราะอยากเห็นเพียงแค่รอยยิ้มของเขาบางคนอาจจะคิดว่าการแลกเปลี่ยนเช่นนี้ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยแต่หัวใจของคนวีวรักแท้จะรู้ว่าเขาอยากให้เป็นแบบนั้น มีเหตุผลมากมายหลายข้อที่ทำให้ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายความรักซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตก็ไม่ง่ายเหมือนกันหลายคนต้องต่อสู้อย่างหนักกว่าจะได้รักใครสักคนแต่การต่อสู้นั้นต้องทำเพื่อความรักของคนสองคนไม่ใช่เพื่อตัวเองดังนั้นการไขว่คว้าและตอกตรึงใครสักคนให้อยู่กับเราโดยไม่สนว่าเขาจะมีความสุขหรือไม่จึงไม่ใช่ความรักแต่เป็นความเห็นแก่ตัว เพราะคนที่มีความสุขจากความรักแบบนี้มีเพียงคนเดียวคือเธอไม่ใช่เขา